หลวงปู่สีได้กล่าวการเที่ยวภาวนาและยกตัวอย่างให้พระหลวงพ่ออ่อนสีผู้เป็นบิดาฟังต่อไปอีกว่าหลวงพ่อผมขอย้อนเล่าในสมัยผมไปเที่ยวทุ่งดงและยกตัวอย่างเรื่องติดสมาธิให้ฟังพระจานทร์สรีกล่าวขึ้นพร้อมพนมมือด้วยความเคารพการที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดนะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติและจะได้พิจารณากันมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่กับท่านพระจานทร์มั่น ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2492ประมาณเดือนพฤษภาคมผมได้กราบราท่านพระจารย์มั่นเพื่อไปเที่ยวทุดงกับเพื่อนสาธรรมมิกรูปหนึ่งชื่อว่าพระคำพองได้ตกลงกันว่าจะไปหาถ้ำพักอยู่บนภูเขาเดินผ่านป่าเขาจึงถามคนแถวนั้นว่าบนเขาพอมีถ้ำไหมโยมตอบว่ามีครับถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำคำไฮท่านพระจย์มหาบัวก็เคยมาพัก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 หลวงพ่อครับพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละทั้งเสียงช้างเสียงเสือคำรามใจที่เคยห้าหาในตอนกลางวันตอนนี้ชักวันไหวอะไรในชีวิตความกลัวตายที่เคยหลับสนิทมาช้านานพลันฟื้นตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเสือร้องยิ่งคิดจิตใจก็ยิ่งกลัวกลัวจนขาสัน่นวาดวันพรั่นพึงทางเดินจงกรมมันอยู่นอกถ้ำไม่กล้าจะออกไปเดินถึงแม้นนั่งอยู่ในที่ถ้ำที่มีฟากไม้ไผ่ก็ยังกลัวอยู่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 ใจิตใจมันเพลิดมันเพลินในสมาธิธรรมดื่มด่ำจนลืมวันลืมคืนลืมความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยล้าลืมเจ็บลืมปวดลืมตายเหมือนว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์องค์น้อยน้อยคิดว่าการลาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่บ้านมาในคราวนี้เราได้ทำรรมัสมบัติอันล้ำค่ากลับไปอวดท่านเป็นแน่แท้แต่ก็ให้เกิดความสงสัยอยู่ภายในใจิตใจถึงกับอุทานว่าเอจิต ด, ดวงนี้มันเป็นอย่างไรหนอ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 ผมมีเรื่องแปลกที่จะเล่าให้ฟังในระหว่างทางที่เดินทุดงกลับคือในตอนเช้าในวันที่ลงมาจากถ้ำคำไฮนั้นมีเหตุการณ์แปลกๆคือในระหว่างทางมีนกคุ้มตัวน้อยๆตัวหนึ่งน่ารักมากมันมากลางปีกเดินตอแตะต่อแตะไปไปมามาขวางทางที่จะเดินไปมาอยู่อย่างนั้นครั้นเมื่อผมจะไปทางซ้ายมันก็วิ่งเหยาะๆมาขวางทางด้านซ้ายไว้ครั้นเมื่อผมจะไปทางขวา มันก็วิ่งเหาะๆมาขวางทางด้านขวาไว้ไม่ว่าผมจะไปทางใดนกคุ่มน้อยตัวนั้นก็พยายามกั้นไว้ไม่ให้ไปอยู่อย่างนั้นผมจึงพูดกับนกคุ่มน้อยตัวนั้นว่านกคุ่มน้อยตัวน่ารักเอย่ยเราอยู่ที่นี่ก็พอสมควรแล้วนะขอเจ้าจงอย่าขวางทางเราเลยเจ้าจงรีกไปเราจะรีบไปหาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือขอเจ้าจงอนุโมทนาพอผมพูดจบเท่านั้นแหละ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 สมเป็นสมณะสาคยบุตรพุทธชิโนโรถแม้ผู้เป็นบิดาจะบวชก่อนแต่ท่านทั้งสองก็เคารพธรรมคือหลักความจริงจึงนับว่าลุงปุษีมหาวีโรท่านเป็นผู้กตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อบิดามารดาอย่างแท้จริง